มันไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ซื่อซื่อเพราะมันมีรูปมีเวทนามีรูปมีนามมันต้องมีอาการที่มันแสดงออกมาในเหตุปัจจัยต่างๆมันก็ซื่อๆื่อไปตัวสติที่รู้ซื่อซื่อเนี่ยมันง่ายๆอันถ้าไม่ซื่อมันคล่องแหวะไปสุขก็คล่องแวะไปไปทุกข์ก็คล่องแหวะไปไปพอใจคล่องแหวะไปไปไม่พอใจคล่องแหวะไป จึงพยายามใช้ตัวลู่ซื่อๆนี่กลับมาลู่เื่อๆไปอย่าทิ้งหลักเหมือนเราตรวจโลกต้องเอาเครื่องมือมาใส่วัตถุที่แสดงก็ไม่วัตถุที่เอามาต่อกันน่อยมันแสดงออกความหลงแสดงออกไปหลายอย่างไปไกลความลู่ซึกตัวมันแสดงออกไม่ไปมันหยุดเหมือนพระพุทธเจ้าในทางไม่ไหนอย่างที่เรา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 ว่าไม่รู้ก็มีรสชาติไปแล้วเพราะคนเรามันชอบรถเรียกว่าโลกคือรสรสของโลกไม่ใช่รถของธรมรมรสของธรรมเหมือนเป็นรถอันเดียวสภาวาฐานังธรรมะฐานังกิาติสภาวะละสังธรรมละโสกิาติสพาวะติณธรมลติธิญาติอนหนักขโยสภาวะุขังกินาติรสพระธรรมคือรถซื่อๆเนี่ยจะร ถ, ถทั้งบวง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 เขาอยู่ใกล้ห้องน้ำพอเดินข้ามจะผ่านคองไปแล้วก็ไปนั่งด้วยม่ไม่เหม็นเหม็นช่วมเอยทำไมอยู่ได้เน่มันเหม็นช่วมเ่ะเอ้ยไม่เห็นเหนม็หนอะไรเลยเออสูดหาสูทาหากิ่เอ้ยไม่มีอ่ะเพราะเขาติดเขาไม่รู้อ่ะมันเหม็นเพราะมันติดเพราะมันติดกลิ่นมันเคยกินเราหลงเราเคยกินกับความหลง เราเคยจินกังความไม่หลงเราเคยชินกัความทุกข์เราเคยชินกัความไม่ทุกข์เราเคยชินกัความโกรธเราเคยชินกึบความไม่โกรธว ok ่าไม่โกรธก็ไม่มันก็เคยชินความโกรธก็ไม่ก็ empath, เคยินอะไรยื่นให้ก็เอาไปหมดเลยปฏิปธรรมมันเอาอะไรต่างๆบางคนก็รู้ไปเป็นผู้รู้ไปเลยบางคนไปรู้ไปเป็นผู้ไม่รู้ไปเลยบางคนไปเป็นสุขปฎิเป็นผู้สุขไปเลย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 แค่น้อยทำไมทุกของเขามันเป็นความซื่อซื่อของเราความรักของเขามันเป็นความซื่อซื้อของเรามมนไม่มีรสชาติอะไรแต่เขายังร้องไห้เสียใจตางนุ่ตาเคยมีผู้หญิงสองคนมาหาคราวเดียวกันคนหนึ่งสามีตายอุบัติเหตุคนหนึ่งสามีหนีไปมีมัยแฟนใหม่สองคนทุกเท่ากัน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 มันจะทําไงก็มาได้เพราะสาเมีของหนูเป็นคนดีมันอยู่ในหัวใจเห็นแต่ความดีของเขาเอาทุกเอาคนเนี้ยเป็นไงทำไมจึงทุกข์เหลือเกินเขาไม่ซื่อตรงต่อเราลงทุนลงแรงกันมาเขาทิ้งเราหนีไปเขาทิ้งเราไปทุกทําไมเขาทํานั้นทุกทําไมเขาึงตายจากเราไปทุก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 เอาหญิงขนาดไหนก็เลือกได้ผู้หญิงมาขอแต่งานเลือกได้ทัพย์สมบัติมากมายมหาศารตั้งแต่เกิดมาคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินได้ยินแต่คำว่ามีทังนั้นอะไรก็ตามให่เหมือนวัดป่าสุโกโตนะอะไรที่มีเยอะแยะหลายอยา่างแต่รัฐบาลคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดมา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 อะไรเราจะไปเอาอะไรไกลให้มันไม่ซื่ออะไรซื่อซื่อซะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ซื่อจะเป็นทุกข์จะมีปัญหากับโลกมากที่สุดเลยแล้วมาปฏิบัติทำรรนาะจะเอาอะไรมาได้มันได้ซื่อๆอของชีวิตเราหมดที่สุดการสิ้นไปแห่งความคตรงอเป็นความสุขในโลกคำว่าคตรงองอคือความหลงความอยากกิเลสตัณหาทั้งหลายมันคต มีเมียเล่าที่เมีหนีไปมันคดคนก็ทุกข์พระมันคตมีเมียเล้วตายนีจจากกันไปเอาคนก็ทุกข์พราะมันโคตรด้านก็ยังของจริงเมื่อบันไม่ป้องกันได้ชีวิตหายใ จ, จเข้ามาออกก็ตายหายใ จ, จออกไปก็ตายเราพัดอย่างมันไม่ซื่อเรามารู้ซื่อๆเสาะสติเดิปเป็นตัวซื่อๆ อ, อย่างนี้เอาไหมความ ซ, ซื่อแบบนี้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 การพูดตามมาผก็แค่ฟังแต่การทำมันเป็นเรื่องของเราทำไงเราจึงจะมีสติซื่อๆก็นี่แหละเรามารู้เนี่ยหัดซื่อๆมันรู้ถึงตัวมันซื่อไหมอะไรมาเอาแยกไปอีกอมันหลงอ่อซื่อกับความหลงว่าแค่นั้นแหละความหลงมันรู้ก็แค่นั้นแหละมันซื่อกับความหลงความผิดความถูกความทุกข์ความอะไต่างๆมันซื่อไปหมดเลย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 ได้ความร่ายเอาไปเพราะให้นมน้าใจที่มันร้อนแล้วก็ได้ร้อนไปแม่ให้นมลูกต้องยิม้มดองหน้าลูกต้องยิ้มมี้เมตตาเห็นลูกกินนมโอ้ยพอใจอยิย้มบางคนไม่ยิ้มนะเอาเอาวมข้างมาดุมาด่าว่าแสดงด่ากันขณะให้นมลูกลูกก็เป็นคนที้โกรธไปเลยใช่ไหม อ, อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ถาทให้มีสติซื่อๆนี่แหละดีที่สุด